อันเป็นองค์ที่สี่ของพ่ชงยังผลต่อเนื่องให้กายใจก็สงบ ป, ประนีตอ่อนสลวยอันเป็นองค์ที่ห้าของพ่ชงฉันมีสุขล้ำลึกเสียแต่ยังเห็นจิตกระเพื่อมง่ายมีหมอกมัวฝ้าฟางมหาห่อหุ้มเร็วอยู่จึงยังไม่ถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิบริบูรณ์อันเป็นองค์ที่หกของพอชง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 บังเกิดเสเลยทีเดียวแม้ตัดใจละความอยากหรือยอมให้ความอยากเกิดเพื่อดูอนิจจงมันก็แปรปรวนไปเพียงชั่วครู่และกลับผุดกลับโผล่ขึ้นใหม่อีกเฝ้าถามตนเองเกือบทุกสิบนาทีว่าถ้าเดี๋ยวนี้ทําไม่สําเร็จแล้วเมื่อไหร่เราจะบรรลุธรรมกับเขาบ้างอยากรู้อยากหาหมอดูมาทํานายให้หายสงสัยกันไปเลย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 ไม่พลามยหยาบคายแต่ก็เหนียวแน่นในการตื้อไม่เลิกเมื่อเห็นเป็นเพียงทุกชนิดหนึ่งแม้เป็นความทุกข์ระดับประนีตก็ไม่แยแสไม่หลงตามมันอีกต่อไปแค่เห็นเป็นอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจแล้วดับลงใน่้ำกลางสติรู้ด้วยความว่างจากอาการยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง